เจริญพรท่านสาธุชนพุทธบรรสอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกๆท่านวันนี้เป็นวันอังคารที่22พฤศจิกายนพุทธศักราชส5 5 9นหารอยหาสิเกาเป็นวันพระวันธรรมวัฒนาวันฟังธรรมวันปฏิบัติธรรม วันทำความเพียรตามที่พระพุทธเจ้าได้สงสอนให้กระทำกันอยู่4ประการด้วยกันคือ 1. เพียรสร้างบุญสร้างกุศลที่ยังไม่มีให้เกิดขึ้น 2. เพียรรักษาบุญกุศลที่มีอยู่แล้วอย่าให้หายไป 3. เพียรละ บาปกับอาุอกุศลต่างๆให้ออกไปจากจิตจากใจ 4. ให้เพียรป้องกันไม่ให้บาปและอกุศลที่ได้กำจัดแล้วหวนกลับคืนมาอีกอนี่คือความเพียรพยายาม4ประการด้วยกันเพราะว่าถ้าใครทำได้แล้วก็จะมีแต่ความสุขความจเจริญ จะไม่มีความทุกข์ความยากความวุ่นวายความเสียหายต่างๆต่าง า, งาจะทำให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากความทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายจะทำให้ได้ไปถึงพระนิพพานด้วยความเพียรพยายามสี่ประการนี้ความเพียรพยายามข้อที่หนึ่งก็คือให้เรา สร้างบุญสร้างกุศลที่เรายัางไม่มีให้เกิดขึ้นเช่นเราอย่างไม่ได้ทำทาน <c oughs> ก็ให้ทำทานกัน <c oughs> ไม่ฟังเทศฟังธรรมก็ให้ฟังเทศฟังธรรมกันไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็ให้ปฏิบัติธรรมกัน <c oughs> เพราะการทำบุญทำทานการฟังเทศฟังธรรมการปฏิบัติธรรม นี้เป็นบุญเป็นกุศลนั่นเองเป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งความสุขและความเจริญต่างๆจึงควรจะทำกันถ้าทำแล้วก็ทำให้มากขึ้นเช่นถ้าเราทำบุญแค่ปีละสองสามครั้งเช่นทำบุญในวันเกิดวันปีใหม่วันเทศกาลต่างๆเราก็เพิ่มให้มันมากขึ้น ถ้าเราทำได้ทุกวันก็จะดีเพราะเราจะได้บุญมากได้กุศลมากนั่นเองเช่นเราเอาเงินที่จะทำบุญใส่กระปุกใส่อะไรไว้แล้วเวลาที่เรามาวัดเราจะได้มีเงินมาทำบุญกันใส่กระปุกไว้ทุกวันเหมือนกับใส่บาทถ้าไม่มีพระมาบิณฑบาต ท, ที่บ้าน ก็เอางานที่จะเสื้ออาหารใส่บาตรมาใส่กระปุกเก็บไว้ก่อนพอเรามีเวลาว่างอย่างวันพระเราก็มาวัดได้เราก็เอางินที่เราใส่บาตรนะมาทำบุญได้เราจะได้ทำบุญมากๆถ้าเราไม่เก็บไว้วันละเล็กวันละน้อยพอถึงเวลามาวัดก็จะมีเงินไม่มากก็จะทำบุญได้ไม่มาก ควรจะหัดทาบุญให้มันเป็นนิสัยทำทุกวันแล้วมันจะติดเป็นนิสัยไปใส่บาตรใส่เอาเงินใส่กระปุกไว้เขียนไว้ว่าเงินทำบุญใส่บาตรนะแล้วก็พอเรามีเวลาว่างเราจะมาวัดเราก็จะได้มีเงินมาทำบุญกันและทำได้มากกว่าสาเหตุส่วนหนึ่งที่พวกเราไม่มาทำบุญกันเพราะ บางทีไม่มีเงินเอาเงินไปใช้อย่างอื่นกันหมดนะพอถึงเวลาจะมาทำบุญก็ไม่มีเงินก็เลยไม่มากันงนะนั้นวิธีแก้ปัญหานี้ก็คือให้เราทำกันทุกวันใส่เงินไว้ในกระปุกมากน้อยตามกำลังศรัทธาใส่ไปวันละเล็กวันละน้อยเดี๋ยวอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งมันก็ได้มากมาย เราก็จะได้มีเงินมาทำบุญกันนี่สำหรับผู้ที่ไม่ได้ทำบุญเป็นประจำก็หัดควรทำบุญให้เป็นประจำส่วนพวกที่ทำบุญเป็นประจำแล้วก็ให้ทำมากขึ้นไปเทียนตอนนี้อาจจะทำบุญร้อยละสจากรายได้ที่เรามีอยู่ก็เพิ่มเป็นร้อยละย0่สิบร้อยละสาสเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆด้วยการงดใช้เงินไปในทางที่ เสียหายเช่นเอาเงินไปเที่ยวเอาไปดึงสุรายาเมาเอาไปเล่นการพนันหรือไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆซึ่งไม่เป็นคุณเป็นประโยชน์ไม่เป็นบุญเป็นกุศลนะก็เอาเงินมาทําบุญทํากุศลกันดีกว่าเพราะบุญนี้จะพาให้เราได้ไปเกิดในที่ดีหลังจากที่เราตายแล้วนะได้ไปสวรรค์ได้ไปนิพพานตามลําดับ ต้องเริ่มต้นด้วยการทำบุญทำทานก่อนถ้าเราทำได้แล้วเพิ่มได้แล้วเราก็ทำข้อที่สองก็คือรักษาบุญที่เราได้ทำไว้แล้วอย่าให้มันหายไปโดยทำบุญทุกวันก็พยายามทำต่อไปอย่าขาดอย่าหยุดทำได้มากแล้วก็ทำให้มันมากต่อไปอย่าให้มันน้อยลงไป แล้วการปฏิบัติจิตใจของเราก็จ ะ, จะเจริญก้าวหน้าขึ้นไปเหมือนกับเรียนหนังสือถ้าเราไปโรงเรียนทุกวันทุกวันไม่ขาดเรียนเดี๋ยวพอสิ้นปีเราก็สอบได้เราก็ได้เลื่อนชั้นขึ้นชั้นที่สูงขึ้นไปตามลำดับแต่ถ้าไปเรียนบ้างไม่ไปเรียนบ้างเดี๋ยวเวลาไปสอบก็สอบตกสอบไม่ได้ก็ขึ้นชั้นไม่ได้ ดังนั้นขอให้เราเพียรพยายามสร้างบุญที่เรายังไม่มีให้เกิดขึ้นสองเพียรพยายามรักษาบุญที่เรามีแล้วให้คงอยู่ต่อไปทําบุญทําทานฟังเทศฟังธรรมัน่นฟังธรรมอยู่เรื่อยๆฟังได้ทุกวันก็ยิ่งดีจะได้มีแสงสว่างนำทางให้ชี้ทางบอกให้รู้ว่า อะไรผิดอะไรถูกอะไรดีอะไรชั่วอะไรเป็นเหตุของความสุขอะไรเป็นเหตุของความทุกข์อย่างที่ญาติโยมวันนี้ได้มาฟังเทศกันก็จะได้ยินได้ฟังธรรมที่เราไม่ค่อยได้ยินได้ฟังกันเช่นวันนี้ได้ยินแล้วว่าเราควรทาความเพียกรการสี่ลักษณะด้วยกันเพียรสร้างบุญกุศลที่ยังไม่มีให้เกิดขึ้นสองเพียรรักษาบุญกุศล ที่มีอยู่แล้วไม่ให้หดหายไป 3. ลัละบาปอากุศลต่างๆที่มีอยู่ในตัวเราให้ออกไป 4. ป้องกันไม่ให้บาปอากุศลที่เราได้ละแล้วกลับคืนมาอีกบาปอากุศลคืออะไรก็คือการฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิด ต, ตวัวเองดีการพูดปดเเรียกว่าเป็นบาป ส่วนอกุศลก็คืออบายามุขเนี่ยเช่นดื่มสุรายาเมาเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนคบคนไม่ดีเป็นมิตรมีความเกียดคร้านอะไรเป็นอกุศลเพราะมันจะไม่ทําให้เราสุขให้เราเจริอนั่นเองมันจะทําให้เราทุกข์และให้เราเสือ่อมให้เราถดถอยให้เราตกต่ำพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเรา เพียรละบาปอกุศลที่ยังมีอยู่ในตัวเราให้หมดไปเช่นถ้าเรายังพูดปดอยู่ก็เลิกพูดปดรถ้าเรายังลักทรัพย์ยังช่อโกงอยู่ก็ให้เลิกถ้าเราฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็ให้เลิกถ้าเราประพฤติผิดประเวณีคือร่วมหลับนอนกับบคุคคลที่ไม่ใช่สามีภรรยาของเราก็ควรจะเลิก เพรนี่เป็นบาปมันจะทําให้เราไปสู่ที่ต่ํามันจะให้เรามีความทุกข์ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เวลาทําบาปแล้วใจจะไม่สบายและเวลาตายไปก็ต้องไปเกิดในอบายแต่ถ้าเรามาละเว้นการกระทําบาปละเว้นอบา ย, ยมุกได้ตายไปเราก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายมีชีวิตอยู่ก็มีอย่าง ชีวิตที่มีความสุขไม่มีความทุกข์ความเดือดร้อนใจต่างๆนี่คือเหตุที่ทำให้เราทุกข์การวุ่นวายใจกันก็คืออกุศลคือบาปและอกุศลอกุศลก็คืออบายามุขต่างๆเรียกว่าเป็นการกระทาที่ไม่ฉลาดกุศลแปลว่าฉลาดอากุศลแปลว่าไม่ฉลาด การกระทำที่ไม่ฉลาดก็คือการไปเสพอบายามุขเสพสุรายาเมาเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนคบคนไม่ดีเป็นมิตรมีความเกลียดครางเป็นนิสัยสิ่งเหล่านี้มันจะฉุดให้ชีวิตเราตกต่ำเพราะการการะทำเหล่านี้ไม่ได้ผลิตรายได้มีแต่ผลิตรายจ่ายมีแต่จะเสียเงินเสียทอง ไม่มีวันที่จะร่ารวยจากอบายามุกได้เรายังต้องเสียอย่างอื่นอีกด้วยเสียสุขภาพเสียเวลาเสียสติเสียเงินเสียทองเช่นดื่มสุรายาเมาก็ต้องเสียเงินไปซื้อมาดื่มดื่มแล้วก็เสียสติเมาขาดสติดื่มมากๆก็เสียสุขภาพ ร่างกายก็จะเจ็บไข้ได้ป่วยได้ง่ายกับคนที่ไม่ได้ดื่มสุราแล้วก็อาจจะไปทําสิ่งที่เป็นโทษกับตนเองเวลาเมาสุราแล้วก็อาจจะไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ก็อาจจะไปทําบาปไปทําร้ายผู้อื่หรือถ้าไปขับรถก็อาจจะไปชนผู้อื่นตาย หรือทำให้ตนเองตายได้นี่คืออบายมุข ก, การกระทําที่ไม่เป็นคุณไม่เป็นประโยชน์การกระทําที่เป็นโทษที่เราควรที่จะอย่าไปทํากันเล่นการพนันก็เป็นโทษเพราะเล่นการพนันเราก็คิดว่าเราจะชนะเราจะได้พอได้เราก็โลภอยากจะได้ต่อก็อเล่นไป เล่นไปแล้วเดี๋ยวก็ต้องแพเพราะไม่มีใครจะได้จะชนะตลอดเวลาเล่นไปเดี๋ยวก็เสียพอเสียก็อยากจะได้คืนก็เล่นต่อพอเล่นต่อเงินหมดก็เลยเอาขายเอาข้าวของสมบัติต่างๆมาขายต่อเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ขายหมดเนื้อหมดตัวอันนี้เป็นการสูญเสียโดยใช่เหตุ เช่นเดียวกับการเที่ยวกลาคืนหรือเที่ยวตามสถานที่ต่างๆมีแต่เสียเงินเสียทองได้ความสุขประเดียวประดาวพอกลับมาบ้านความสุขที่ได้มาก็หายไปเหลือแต่ความเหงาเหลือแต่ความว้าเว่อ้างว้างเปล่าเปลี่ยวก็เลยทําให้อยากออกไปเที่ยวต่อก็เลยต้องเที่ยวอยู่เรื่อยๆอยู่ไม่ติดบ้านเที่ยวทีก็เสียเงินเสียทองไป แล้วพอถ้าไม่มีเงินเที่ยวก็จะทุกข์อยู่เฉยๆไม่ได้ก็ต้องไปอาจจะไปทำบาปไปลักขโมยไปช่อโกงไปหาเงินโดยวิธีที่ไม่ฉลาดวิธีที่ผิดกฎหมายผิดศีลละทำแล้วก็ต้องมาติดคุกติดตารางมาใช้บาปใช้กรรมต่อไปนี่คือการกระทำที่ไม่ไม่เป็นกุศลเป็นอกุศล คืออบายามุก ค, ความเกลียดคร้านก็เช่นเดียวกันความเกลียดคร้านนี้จะไม่ทำให้เรามีรายได้ไม่ให้เราเจริญความเจริญการที่เราจะมีรายได้นนะเกิดจากความขยันหมั่นเพียรขยันทำงานทำการทำมาหากินอย่างนี้ก็มีรายได้ถ้าเกลียดทำมาหากินชอบเที่ยวชอบเล่นชอบเสพอบายามุกอย่างนี้ ก็จะไม่มีเงินเข้ามามีแต่จะมีเงินออกไปแล้วเดี๋ยวในที่สุดก็จะหมดเนื้อหมดตัวได้งั้นอย่ากเกียจคร้านให้มีความขยันมีความเพียรอย่างที่วันนี้พระเจ้าสอนให้เพียรพยายามสร้างบุญสร้างกุศลนอกจากการทําบุญแล้วกุศลที่เกิดจากการที่เป็นกุศลก็คือขยันทำมาหากินนี่ก็เป็นกุศล ตั้งใจไปทำงานตั้งใจไปหาเงินหาทองตั้งใจเก็บเงินเก็บทองอย่างนี้ก็เป็นความเพียรที่เป็นกุศลเป็นบุญเป็นกุศลเพราะทำแล้วก็จะทำให้เรามีเงินมีทองไว้ใช้จ่ายกับสิ่งที่จำเป็นและมีเงินทองเอาไว้ไปทำบุญนี่คือเรื่องของบุญกุศลและอกุศล ถ้าเรายังมีอกุศลอยู่ก็พยายามละเสียอย่างวันนี้เราก็มาละห้าข้อด้วยกันเรามาสมาทานศีลตั้งใจว่าวันนี้จะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปลดไม่ดื่มโซรายาเมาถ้าเราทำวันนี้ได้เราก็ควรจะรักษาต่อไปทำทุกวันพระไป แล้วต่อมาก็เพิ่มให้มันมากขึ้นรักษาได้หนึ่งวันก็เพิ่มเป็นสองวันสามวันสี่วันเพิ่มไปไเรื่อยๆจนสามารถรักษาได้ตลอดทุกวันพอเรารักษาสีลห้าได้ทุกวันแล้วเราก็มาเพิ่มการรักษาสีแปดมารักษาสี่แปดใน 8, วันพระนี้ถ้าเรารักษาสีลห้าได้แล้วพอวันพระเราก็มาเพิ่ม เป็นศีลแปดกันเพราะศีลแปดนี้จะทำให้เรามีความสุขมากขึ้นนั่นเองเพราะถ้าเรามีศีลแปแล้วเราก็จะมีเวลาไปปฏิบัติธรรมไปสร้างกุศลที่สูงสุดได้ก็คือการภาวนาการนั่งสมาธิการเจริญปัญญาจะทำให้เราได้ไปถึงพระนิพพานกันได้ ถ้าเราไม่ปฏิบัติไม่ภาวนาเราจะไปไม่ถึงพระนิพพานถ้าเราเพียงแต่ทําบุญรักษาศีท่าเราก็จะไปแค่สวรรค์ชั้นเทพเท่านั้นเองแต่ถ้าเรามารักษาสีแปดมานั่งสมาธิได้เราก็ไปสวรรค์ชั้นพรหมไปสวรรค์ชั้นพนิพพานได้นี่คือเราต้องเพิ่มการปฏิบัติ ของเราให้มากขึ้นเพิ่มการรักษาศีลให้มากขึ้นละอบายามุกละอกุศลละบาปต่างๆแล้วพอเราละได้แล้วก็อย่าหวนกลับไปทำอีกเช่นถ้าเราเลิกดื่มสุราได้แล้วก็อย่าไปดื่มละการเล่นการพนันได้แล้วก็อย่ากลับไปเล่นละการเที่ยวเต่ได้แล้วก็อย่ากลับไปเที่ยวเต่ ละความเกลียดข้านได้แล้วก็อย่ากลับไปละการครบคนไม่ดีเป็นเพื่อนได้แล้วก็อย่ากลับไปคบเขาใหม่ละฆ่าสัตว์ได้ละอะไรได้ก็อย่ากลับไปทาใหม่แล้วความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากการกระทาเหล่านี้มันก็จะไม่มีตามมามีแต่บุญกุศลที่เราจะทำกันสร้างกันถ้าเราสร้างบุญสร้างกุศล ไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็ไปถึงพระนิพพานเดี๋ยวเราก็จะได้หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายจากการเวียนว่ายตายเกิดพราะนี่เป็นวิธีที่พระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติมาทำให้พระพุทธเจ้าได้เป็นพระพุทธเจ้าทำให้พระพุทธเจ้าได้หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายทำให้พระพุทธเจ้าได้ไปถึงพระนิพพาน เมื่อพระพุทธเจ้ารู้วิธีท่านก็นําเอาวิธีนี้มาสั่งสอนพวกเราถ้าพวกเราทําตามเราก็จะได้รับผลเช่นเดียวกันอย่างแน่นอนเพราะเหตุกับผลนี้มันเป็นของตายตัวมันไม่เปลี่ยนไปตามการตามเวลาทําบุญทํ า, ากุศลละบาปละอกุศลมันก็จะพาจิตใจของเราขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆ จนไปเึงชั้นผานิพานไม่ว่าจะเป็นในยุคสมัยพระพุทธการสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนลื่นในยุคนี้มันก็ไม่เปลี่ยนแปลงเรื่องของเหตุของผลเหตุผลนี้มันเป็นของตายตัวทำดีย่อมได้ดีเสมอทำบาบย่อมได้ผลไม่ดีเสมอไม่ว่าจะเป็นยุคไหนสมัยไหนก็าตามภายในอนาคตอันไกล ก็จะเป็นเหมือนกันเพราะนี่เหมือนเป็นหลักกฎแห่งกรรมที่ไม่เปลี่ยนไปตามการตามเวลาตามยุคตามสมัยมันเป็นเหมือนกันพระพุทธเจ้ากี่พระองค์มาตรัสสรูปก็ตรัสสรู้เรื่องกฎแห่งกรรมนี้เหมือนกันที่พุทธเจ้ามาทรงสอนให้พวกเราะละบาปอากุศลให้เราสร้างบุญสร้างกุศลสร้าง ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์อันนี้เป็นคำสอนเหมือนกันทุกๆพระองค์เพราะมันเป็นวิธีที่จะทำให้จิตใจของเราเจริญก้าวหน้าเป็นวิธีที่จะทำให้จิตใจของเรามีแต่ความสุขทำให้จิตใจของเราหลุดพ้นจากความทุกข์ของการเกิดแก่เจ็บตายอันนี้ถ้าพวกเราปฏิบัติอย่างเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติ พวกเราก็จะได้ผลเช่นเดียวกันอย่างพระสาวกทั้งหลายท่านก็เป็นเหมือนพวกเราตอนตอน้นท่านก็ยังมีบาปมีอาคศลบุญกุศลยังมีน้อยอยู่พอมาได้ฟังเทศฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าหรือจากคำสอนของพระพุทธเจ้าพอฟังแล้วก็เอาไปปฏิบัติตามพอปฏิบัติแล้วเดี๋ยวท่านก็ได้เป็นพระสาวกขึ้นมา ได้ไปถึงพระนิพพานเหมือนกับพระพุทธเจ้าดังนั้นไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจะเป็นหญิงหรือเป็นชายจะเป็นคารวาหรือเป็นนักบวชจะเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่จะเป็นคนไทยจะเป็นคนฝรั่งจะเป็นคนจีนจะเป็นคนญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนจะเป็นคนรวยหรือเป็นคนจน จะเป็นคนที่เรียนปริญญาหรือไม่ได้เรียนปริญญาสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการที่จะทำให้ทุกคนไปพันธิพานได้สิ่งที่เป็นอุปสรรคก็คือความไม่เชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าความเกียดคร้านที่จะไม่ปฏิบัติตามคำสอนนี้เท่านั้นดังนั้นเราอย่ามาอ้างว่าเราเป็นผู้หญิงเราไปไม่ได้อย่ามาอ้างว่าเราเป็นค า, ารว่าไปไม่ได้ ไปได้ทุกคนเพราะสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมีคนจากทุกชาติชั้นวันนะ้ที่ไปเึงพระนิพพานกันได้อยู่ที่การปฏิบัติอยู่ที่การเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ที่การทำตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้ในวันนี้ที่สรงสอนให้พวกเรามาสร้างบุญสร้างกุศลที่ยังไม่มีให้เกิดขึ้น สให้รักษาบุญกุศลที่เรามีแล้วไม่ให้หายไป 3. ให้ละบาปอากุศลต่างๆให้หมดไป 4. ป้องกันไม่ให้บาปอากุศลที่เราได้ละแล้วกำจัดแล้วกลับคืนมาอีกถ้าเราทำปฏิบัติในสข้อนี้ได้รับรองได้ว่าเราจะไปถึงพระนิพพานกันได้ และไปได้ภายในชาตินี้เลยไม่ต้องมาสร้างบุญสร้างกุศลแบบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี้ไม่มีคนบอกทางไม่มีคนสอนพระองค์เลยต้องสะสมบุญบรารมีมาเป็นหลายกับหลายกันด้วยกันถึงสามารถที่จะค้นพบวิธีที่จะทำให้พระองค์ได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ แต่สำหรับพวกเรานี้โชคดีเราไม่ต้องไปหาทางด้วยตัวเราเองไม่ต้องไปบำเพ็ญสะสมบุญบรารมีเป็นกับเป็นกันตอนนี้เราอาศัยบุญบรารมีของพระพุทธเจ้าที่ส่งมอมให้กับพวกเราในคำสอนต่างๆขอให้เราศึกษาคำสอนแล้วพยายามปฏิบัติตามคำสอนให้ได้เถิดแล้วชาตินี้เราก็จะสามารถ หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เลยอันนี้พระ อ, องค์ได้ทรงรับประกันไว้ว่าถ้าใครปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดภายในเจ็ดวันก็หลุดพ้นได้ถ้าไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนถ้าไม่เจ็ดเดือนก็ไม่เกินเจ็ดปีสามารถที่จะบรรลุเป็นพระอารหันต์ได้ดังนั้นขอให้เราเชื่อ เพราะถ้าเราเชื่อแล้วเราก็จะมีความยินดีที่จะปฏิบัติตามแต่ถ้าเราไม่เชื่อเราก็จะไม่ปฏิบัติตามวิธีที่จะให้เชื่อก็เหมือนฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆสงสัยตรงไหนก็ค้นคว้าหาคำตอบได้ฟังไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวความสงสัยต่างๆก็จะหายไปหมดไปแล้วจะทำให้เรามีความมั่นใจ มีความอยากที่จะปฏิบัติตามคำสอนพอเรามีความมั่นใจเราก็จะออกปฏิบัติพอปฏิบัติแล้วเดี๋ยวไม่นานเราก็จะได้รับผลกันจึงขอให้พวกเราพยายาเข้าหาพระพูดพระธรรมพระสงฆ์มันฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆ อ, อย่างน้อยก็อาทิตย์ละหนึ่งครั้งวันพระนี้เป็นวันฟังเทศฟังธรรมแต่สมัยนี้เราสามารถฟังได้ทุกวัน เพราะเราไม่ต้องอาวัดก็ได้เดี๋ยวนี้มีธรรมะไปถึงบ้านมีซีดีฟังมีหนังสืออ่านมีสื่อต่างๆที่เราสามารถเปิดดูเปิดฟังได้ขอให้เรามีความยินดีในธรรมเถิดแล้วเราก็จะได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมแล้วเราก็จะได้มีศรัทธามีความยินดีที่จะปฏิบัติ แล้วพอเราปฏิบัติเราก็จะได้รับผลเราก็จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายถ้าเราไม่ปฏิบัติเราก็ยังจะต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปมีทางเลือกแค่สองทางนี้คือปฏิบัติตามหรือไม่ปฏิบัติตามถ้าปฏิบัติตามก็หลุดพ้นไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายถ้าไม่ปฏิบัติตามเดี๋ยวตายไปแล้วก็ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีก ได้จะเป็นอย่างนี้ไปอีกนานจนกว่าจะได้พบกับพระพุทธศาสนาอีกครั้งหนึ่งจึงขอให้ท่านพยายามสร้างศรัทธากันขึ้นมาเพื่อที่จะได้เริ่มปฏิบัติเพื่อที่จะได้รับผลจากการปฏิบัติคือการหลุดพ้นจากความทุกข์การบรรลุ ถ, ถึงพระนิพพาน mm hmm. ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้